เก้าสิบสีิตติฟีคำสรรทานหนึ่งคุณยิ่งพูดนึเอรอจนฝนหยุดก่อนว t น t ์ท l ลเดี๋ยวจะห t ุ t ฝนตกแลรอจนดิฉันเสร็จก่อน เว n t til ิลยายาฟาร์ดีรอจนกว่าเขาจะกลับมาเว้นท์ทิลนั่นกลับมาที่ฉันรองฉันรอจนกว่าผมจะแห้งฉันรอจนกว่าผมจะแห้งฉันรอจนกว่าผฉันรอจนกว่าผมจะแห้งฉน่ัวงนอจะรจนมจะแหฉันรอจนกว่าหฉันังจะจวนอรมมาอวฉัน รอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวฉันจะัญไจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวัยยวจะอน่อไเปล่นเัรอนณไจะเปล่สัรอนก่ไเ่ยนเรอนว่ัป่นเียุดฤดูร้อนอวัีกหนืยรอจนก่าี่เวรอนกว่สัเียนเยอนวัจะเนยุดันจะรอน่จะเป่ม ยาฟื s ja, <S r, ja r s ซ่อมหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่มฟิก t ์ท e ก์ก่อนที่ฤดูหนา e จะล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โต๊ะวัดสปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอกล คุณจะกลับบ้านเมื่อไรร์ยหลังเลิกเรียนหรือเค่ะหลังเลิกเรียนย ja, าเอเสิหลังจากเขาประสบอุบัติเหตุเขาทำงานไม่ได้อีกต่อไป หลังจากที่เขาตกงานเขาไปประเทศอเมริกาหลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกาเขาก็ร่ำรวยหล t e r att han h a d e d r ั t ท t ่อเมริกาเขาได้ร a n rik.